แบบดาดอาจารย์อุตการดาบทได้ฌานสมาบัติเกตของฌานแบบบูศีขีภายอุตการะดาดาบทได้ฌานสมาบัติแปดเอามีมาแล้วแต่ฌานแบบพระเจ้าเป็นเครื่องเาขาขจิตฌานคือสตินี่เองฌานแบบกุฏาฌานาแบบกดถอย ว่นั่นเป็นช้อนแบบหนึ่งช้อนแบบเป็นสตินี่เป็นช้อนที่จะไม่หมดค่าหมดราคามีอยู่มยไม่ได้ไม่มปฏิเสธอะไรแสงแดดก็มีเก็บก็มีอยู่เก็บก็ไม่อยู่แต่ว่า mm hmm. เห็นมันเก็บ mm hmm. ไม่เป็นผู้เก็บ นี่ยคือชานมันลูกมันเห็นง่ายๆมันรอมันเล่าเห็นอยู่ว่ามันมีลูก้กานแบบปฏิเสธไม่มีอะไระตัวแข็งไปเลยนะเสียสุขภาพเห็นคนตัวแข็งเคยฝึกแบบตัวแข็ง เอาเข็มมาแทงเอาไปมาจุดค็ไม่รู้สิอะไรมันดีรีแบบนั้นไอเอาเข็มมาแทงไม่รู้จะเก็บมันเป็นอันตรายตัางกายมันไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรชาญแบบนั้นพอออกจากชาญแบบเ้าตงมานวดกันหน้าจืดหน้าเหลืองต้องฟกเื้อขึ้นมา ข้าชานก็ต้องอยู่ในชานันะ่งอาจารย์เข้าชานด้เจ็ดวันข้าวไมกินแต่นั้นไม่ใช่ชานแบบพุทธชานแบบพระเจ้าช้อนต้องชา น, ชานข้าวต้องนอนต้องทำงานต้องสวงต้องสงอนต้องบอกคนมีสติเต็มที่ชน้นจริงะคือมีสติ ที่มันยอดเยี่ยมสติที่มันมาจะถานที่มันพัฒนาให้ไม่เป็นอะไรจืดหมดไม่มีคําพูดมีแต่พูดว่าไม่เป็นอะไรกับหลไรคือชาญยังวิ่งไม่เป็นอะไรกับอะไรเอ า, อาไม่เป็นอะไ ร, ะไ ร, ไ ม, ะไรมันเป็นตัวเป็นตน อ, อยู่หละเราจะว่ากันก็ไแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไง สัจธรรมจริงๆไม่มีคําสมมติบัญญัติมาพูดก็ให้ปิดปากไม่บอกไม่พูดเลยเอออนันตา ไ, ไม่ต้องบอกอะไรไม่มีคําพูดอะไรปิดปากเลยหมดเลยไม่มีอะไรที่จะบอกก็เอาอะไรมาพูดก็เป็นสมมติบัญญตัติเกินเขินพูดลงไปเป็นสมมติที่บัญญตัติจับผิดจับถูกกันได้ แต่ไม่รู้จะพูดยังไงหาคำพูดมาได้มันเป็นชีวิตที่มันไม่เป็นอะไรเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากรูปจากนามเป็นชีวิตที่ใหม่มันเกิดจากที่นี่ถ้ามันไม่มีรูปมีนามมันทำอะไรไม่ได้ห้านิ้วสิบนิ้ว ถ้ามันหลงเป็นนั่นละ่ะจะได้พัฒนาตัวหลงให้เป็นตัวไม่หลงถ้ามันโกรธเป็นจะได้พัฒนาตรงนั้นถ้ามันทุกข์เป็นจะได้พัฒนาตรงนั้นเหมือนเราสร้างสิ่งใดเชิงหนึ่งถูกเข้าวเชิงใดที่มันไม่ใช่เข้าขก็ถอนออกปลูกมันเชิงใดที่ไม่ใช่ต้นมันถอนออก ปลูกอ้อยจึงใดที่ไม่ใช่อ้อยถอนออกมันก็มีนะมีวัะพืชที่เกิดขึ้นมาในแผ่นดินในกายของเรานี่ก็มีมีมีวัตถุอาการเกิดอะไรขึ้นได้ในกายในใจในลูกใ่านามนี่เป็นที่เกิดของสรรพสิ่งมันจึงเรียกว่าคนคนมันโป้นไป โนเปหลายอย่างมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งผิดทั้งถูกว่าจะทําให้ลูกมันกลายเป็นความหลงป้าจะหนีสุขป้าจะจะเอาสุขความทุกข์มันตามไหลทําไปทําไปก็ทุกข์เบื่อหน่ายเข็ดหลาบปฏิบัติธรรมถ้าทําไม่ถูกเข็ดหลาบจะไปนั่งยังไงจะไปกินยังไงจะไปนอนอยังไง จะมีวิธียังไงหาวิธีที่จะมาเขียนตัวเองรีดตัวเองอยู่เสมอมันไม่ใช่เราจะเฉดลาบต่างปฏิบัติธรรมตนการพักผ่อนดูแลกายใจให้มันบริสุทธิ์ให้มันคุ้มมาดูแลตัวเองเนี่ยถ้าไม่ดูแลตัวเองให้มันปลอดภัยจากปัญหาจากภุกขงโทษอันนั้นไม่ใช่ไม่ต้องเรียกว่าปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคือมาดูแลกายจะให้หมดพิษหมดพัให้ไม่มีทุกข์ไม่ทุกขนี่มันมันจะยากอะไรอันทุกข์ ท, กทุกที่มันเกิดจากกาจากใจมันก็ไม่มีวัตถุสิ่งของที่มันจอทําให้ต้องออกแรงจนหมดเลี้ยวหมดแรงในความหลงเช่นความหลงเช่นความโกรธเช่นความทุกข์ เช่คนความผิดเช่คนความอะไรต่างๆมันไม่ใช่มาแบบวัตถุมันเป็นนามนธรรมนั้นสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกก็ดูแลตัวเองซจิตใจที่มันคิดไปอา้าวปล่อยมันคิดแต่พื่เพือมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษของจิตมันเปือ้อนได้ต้องช่วยไม่ให้มัน ใช่แบบนั้นใช้ให้มันรู้ถ้ามันไปทางนี้ถ้ามันไปทางที่ผิดก็เปลี่ยนให้มันมาทางใหม่มันดีนะไม่ใช่เหมือนเป็นความยากไม่ใช่เหมือนเป็นความรีดแรงรีดงานของตนเองมันได้แรงงานมันเพิ่มพลังมันมีพลังน้ออย่า เปียนความชั่วให้เป็นความดีเกิดศรัทธาตรงนี้เมื่อเกิดศรัทธาเกิดความเพียรตรงนี้พลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความเพียรก็อื้อติได้ตรงนี้พลังแห่งสตติเกิดปัญญาได้ตรงนี้เป็นพลังแห่งปัญญากันเทอนที่จะเสียไปน้อยเนื้อตามใจเศร้าหมองไม่ใช่เลยเกิดพลังขึ้นมา ศรัทธาพลังความเพียรพลังสติพลังปัญญาพลังสมาธิพยังปัญญาพลังพระเจ้าว่าศสยเรื่องอย่างนี้ได้แก้ความผิดเป็นความถูกศรัทธามาก ต, ตรงนีนะ้ได้ช่วยตัวเองนะแต่ก่นไม่เคยช่วยตัวเองนะไม่เคยช่วยลูกไม่เคยช่วยน้าเลยบอให้ลูกพนามเป็นทุกข์ข้ามวันข้ามคืน ความทุกข์ความโกรธข้ามวานันข้ามเวนไม่เคยช่วยเลยบัดนี้มันก็ตื่นหรือล่นที่ช่วยตัวเองสงสารตัวเองในเวลามันโกรธสงสารตัวเองในขณะที่มันทุกข์ไม่ปล่อยทิ้งเหมือนแม่เหมือนพ่อเลี้ยงลูกอ่อนเห็นลูกที่มันไปทุกข์ไม่ได้ต้องช่วยทันทีรีบด่วน <c oughs> ด่วนขวย่ังเองิน เข้าถึงรักษาพุ่งป้องกันคุ้มครองทันทอการที่มีสติจึงเหมือนพ่อเหมือนแม่พุทธเจ้าจึงเรียกสตินี้เป็นอุปการะคุณอุปการะว่าปานพ่อปานแม่เลยทีเดียวมันไม่น่าจะเหนื่อยเมื่อไรจะเุดียร์ากไม่น่าจะเบื่อนาย การมาช่วยตัวเองเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่มันก็อยู่ที่ไหนเลยตัวเราเราอยู่ไหนก็อยู่ที่นั่นรวงหลงก็ไม่มีเวลารวมรู้ ก, ก็ไม่มีเวลาพอดีกันเลยหลงเมื่อใดก็รู้ได้เมื่อนั้นผิดเมื่อใดก็ทําให้ถูกได้เมื่อนั้นอันกายอันใจเนี่ยอันโลกอ น, นามเนี่เป็นกระบวนการในการพื้นผู ก็ตื่นลุ้นเป็นงานเป็นการเป็นงานชีวิตไม่ใช่งานอาชีพาอาชีพปลูกข้าวก็ได้ข้าวงานชีวิตเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นชีวิตขึ้นมาเก่อขึ้นมาเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นชีวิตก่อขึ้นมาเปลี่ยนอะไรที่ร้ายเป็นดีเปลี่ยนดีขึ้นมาเหมือนได้ชีวิตาก่เนี่ จนไม่มีอันเปลี่ยนก็ได้ชีวิตจนเนือนการเกิดเจ็เจ็บตายจะให้สุขให้ทุกข์เป็นไปไม่ได้จะให้เป็นการเกิดการเจอการเจ็บการตายเป็นไปไม่ได้ตายในความคิดตายในความอาการที่เกิดขึ้นกับใจเกิดดับเกิดดับไม่ต้องเกิดดับในอีกต่อไปเป็นอมะตะชีวิตไปเลยทีเดียวไม่ใช่เกิดดับ คิดตอนั้นคิตนี้เกิดตองนี้ดับไปคิดตองนี้เดาไปไม่มีแล้วภาวะเช่นนี้ไม่มีแล้วมีแต่ชีวิตลวนๆตะกินก็กินจะนอนก็นอนจะลุกก็ลุกเป็นชีวิตความเจ็บเป็นเรื่องหนึ่งความเจ็ความตายเป็นเรื่องหนึ่งความไม่เป็นอะไรเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความไม่เป็นอะไรใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าความเกิดความเจ็บความเี็บความตายความเก็บความตายมันไปแบบนั้น ไปแบบหงโงูชีวิตที่ไม่เป็นอะไรมันไปแบบฉลาดนี่คือชีวิตจะให้เป็นอย่างนั้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นแบบมดานอันเหนือสุขเหนือทุกข์มันไม่อยู่เนี่ยชีวิตของเราเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่รู้เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อแก่เพื่อแก่เพื่อตายจะได้ประโยชน์อะไรชีวิตของเราศาสรนราต้องมาสอนเรานี่ สอนเรื่องมรรคเรืงผลถ้าไม่สอนเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ต้องนับถือศาสนาเป็นแต่เพิ่มพิธีหรือตองที่ไหนก็กมีพิธีพ <c oughs> ุทธจศาสนาไม่ใช่เรื่องพิธีหรือตอ ง, ตงเป็นการปฏิบัติของไปพิธีก็คือพิธีเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลเหมือนทางเ ด, ดินไปถูกมรรคสู่ผล คือมีสติเป็นทางผิดรู้สึกตัวเป็นทางไปทุกู้สึกตัวเป็นทางไปอะไรที่ไม่ใช่สติมาเป็นสติทั้งหมดเีลร่อที่มันทำให้ผิดมามีสติทั้งหมดเป็นทางไปท่ามกลางเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือสติเบื้องต้นก็คือสติสติก็คือศีลท่ามกลางคือ สมาธิพ่สุทธิ์คือปัญญาศีลคำจัดเครื่องหยาบจ่าถ้าเป็นกิเลสคือคำจัดเิเลสจางหยาบจ่าสมาธิเป็นเครื่องคำจัดกิเลสจางกลางกลางปัญญากําจัดเจสจางละเอียดเนี่ว่าเบื้องต้นทางก่าที่สุดสติที่มัน แน่วได้มั่ของมาตรฐานเป็นมหาสติไม่มีอื่นได้อรอยพวกเรายังไง ม, มีโลคไข้เจ็บมีสุขภาวะที่ดีมีกำลังมีสติกินได้นอนได้กินข้าวอิม่มนอนหลับไม่มีโรคภัยอะไรยิ่งมีโรคภัยก็ยิ่งไม่ประมาท เอาบางเป็นเกณฑ์ก็ได้เราต้องมีความเก็บมีความเก็บ ค, ความตายให้ได้กระตือเร่ร่อนถ้าไม่เห็นอย่างนี้มันไม่กระตือเร่ร่นเป็นคนประมาทปากประมาทในวัประมาทความสุขประมาทในการใช้ชัพประมาทในการไม่มีลกูกถ้าไม่เราประมาทเราจึงไม่ประมาทขณะที่มีชีวิ ต, วตเนื้อแข็งแรงมากเอาลงปปฏิบัติลงปาก ยังกอนเทียร์สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติจนสำเร็จกันทุกคนได้ในเวลานี่ไม่ใช่รอนะปั๊บทันดีมันหลงดูทันดีทำไมจะทำไมได้นะสมควรในเวลาก็เพ้อมกัน